แปดนาทการฟังธรรมะนานทางด้านปฏิบัติทั้งผู้เทศทั้งผู้ฝังมากไม่ค่อยมีคำว่าพิธีเช่นฟังพอนพิธีเทศพอเป็นพิธีอย่างนี้ทางภาคปฏิบัติ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 แม้เขาจะมาขมโมยเอาของไปสักกี่ชิ้นกี่ร้อยกี่พันอย่างก็ไม่ทราบได้เลยจิตใจที่อยู่กับตัวขณะท่านแสดงธรรมหนักเบามากน้อยจะต้องรับทราบทุกระยะเพราะใตยอยู่กับตัวเหมือนคนอยู่ในบ้านถ้าจิตความรู้สึกนั้นได้ส่งไปจากตัวเสียการปังเทศนั้นไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องผลไม่ค่อยเกิด ไ่กิเลสล่วงเขาเขาไปออะไรไปหมดเหมือนกับโจรผู้ผู้ร้ารยน่นเขาไปขโมยของอะไรของในบ้านหม ด, ดก็ไม่รู้ เ, เราไม่เคยทำจริงทำจังไว้แบบตำหนิติเตียนตูโทษพระพุทธเจ้าและพระสาวกพุทธบริษัททั้งหลาย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 เห็นคนอื่นทําแล้วก็คัดค้านเห็นคนอื่นขยันเราขี่เกียดก็ไปคัดค้านเขาตำหนิเขาเห็นเขารู้เราโง่เขาฉลาดลเราโง่ก็ไปตำหนิเขา เ, เรามีความสามารถอย่างนั้ น, นประพุเทธเจ้าท่านทรงสามารถทั้งด้านปฏิบัติสามารถทั้งรู้เห็นเต็มภูมิของพระพุเทธเจ้า การประทานอุวาทให้แก่สัตว์โลกจิงต้องประทานเต็มพระกำลังสติสั์ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างให้สมภูมิกับคำว่าศาสดาเอกของโลกแล้วผู้ฟังก็ฟัง้วยเจตนาอย่างนั้นด้วยแล้วผลไม่เป็นไปตามเจตนาไม่เป็นไปตามการกระทาที่ถูกต้องงดงามเต็มกาลังความสามารถ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 อยเพลินเพนย่า ง, งโลกที่สมมุติทั่วไปเขว่าเรานี่สะอาดที่สุดมันมีใครที่ยิงยิ่งกว่าคนงโง่มันมีใครจะอจะว่าสะอาดยิ่งกว่าคนโกโปกถ้าพูดตามทำแล้วเป็นอย่างนี้เมื่อเราทราบว่าเราโกโปกทางใจที่เต็มไปด้วยที่เรืขึ้นเป็นสิ่งส ม, มมแล้วเราต้องเป็นผู้มุ่งถ้าอดอตัดธรรมเพิ่ม ทาลางดังที่ท่านทั้งหลายได้รู้สาตลาด เ, เวลาหน้าที่การงานตลอดทั้งชีวิตจิตใจมาพเพื่อบําเพ็ญตนนี้จึงเป็นความถูกต้องตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินมาเรียกว่าอริยประเพณีประเพณีของพุทธบริษัทอันที่ดีงามของพระพุทธเจ้าท่านดําเนินอย่างนั้นจึงขอขอบคุณและ อ, อนุทนากับท่านทั้งหลายไว้นาโอกาสนี้ด้วย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 วิเดตประเภทนั้นแต่เรามืดลงทุกผีอันตากาเรณโอนัธาทันว่าตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าโกนุฮาโซจิ ม, มานันโนนิจังปชัชเชตเตสติอันตากาเรณโอนทธาปฏิปังนัตเวสถะคั้นเมื่อโรคสารนิวาดนี้เต็มไปด้วยความมืดนมดองการเพราะอำนาจแห่งพิเดตะท่นหามันแผดเผาอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลาย เพื่อเพลินกันหาเรื่องอะไรน่ะทําไมจึงไม่รีบหาสแสวงหาที่พึ่งมาเพลินตัวอยู่ทําไมกับไฟกองที่กาลังพองอยู่ในต้วงมันแต่เรามืดลงทุกวันทุกวันอันนี้นท่านสอนถึงใจไหมพระพุทธเจ้าสอนโลกถ้าเราจะฟังเพื่อถอดถอนที่เดชมันถึงใจจนหน้าละอายตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว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 ความสงบก็จะมีความชำนิชำนาญไปโดยลำดับอ่าวเราจะพิจารณาแยกแยกเหตุผลต่างๆถึงจิตมันไปเกี่ยวข้องติดพันกับเรื่องอะไรเจิญกายเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวเองก็จะทราบทั้งร่องรอยและตัวเหตุตัวผลของมันอีกด้วยจิตมีความรู้อันเดียวเท่านั้นสติมีความระลึก และดับไปดับไปเรียกว่าสติปัญญามีความสอบซองความไข้ควรวนใข้ควรก็ไข้ควรวนเรื่องตัวเองนั่นแหละอืันนี้จังนะท่านว่านี่เป็นแผนของปัญญานะทุกขงังพนัตตานี่เป็นแผนเป็นแนวทางเดินของปัญญาจึงเรียกว่าหินลัปัญญาพิจานาเรื่องอา น, นิจจังมันเป็นอะไรอา น, นิจจังนี่มัน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 เป็นสิ่ที่น่าอั้จันต้องเป็นอย่างแน่นอนไม่สงสัยขีดจิตไม่แสดงความอาจรย์ให้เจ้าของเห็นเลยก็เพราะมีแต่สิงสกปรกโสมมที่หาคุณค่าไม่ได้มันครอบจิตทั้งหมดจิตจึงกลายเป็นนักโทษทั้งดวงมันก็มีคุณค่าที่ไหนเมื่อวันเป็นนักโทษทั้งดวงเพราะธรรมชาติที่เป็นโทษมันอยู่กับจิตที่ทั้ทงหลายนั่นแหละ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 มันเราอะไรนี่คือกองไอ้จังสุกขังาาตาตัวขีเหรดตัวพายยังมาเป็นเราอยู่เหรออะความฟองใสที่ควรจะผ่านไปได้ถือไวทำไมนั่นอันนี้ก็คือขิเหรดประเภทหนึ่งนี่เวลาย้อนเข้ามามันไม่มีวลาพิจารณาจริงมันก็ต้องย้อนเข้ามาพิจารณาถึงทำถึงทำขั้นละเอียดสุก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 เพราะสวดคาํานั้นท่านเรียกว่ามัชิ ม, มาทัานต่อเหตุการณ์ในตลอดเวลาไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดของกิเลสที่แสดงขึ้นมามัชิ ม, มาปฏิวปทาเป็นอาวุธที่ทันสมัยฟาดฟันกิเลสให้แหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรอยู่แล้วเลยท่านจึงเรียกว่ามัชกิ ม, มาเหมาะสมตลอดเวลากับการแก้กิเลสกองคุกที่มีอยู่ภานใจของตัตรูการแสดงคำโฆษณาร่สมผรจุญข อ, อิื่อุปถัมภ์